มาสการพระกุณเจ้าที่เคารพแล้วก็อนุมโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่านยังอยู่กับปัจจุบันอยู่นะ <c oughs> ดูจิตใจแล้วไม่ค่อยอยู่กันเดืก้กันตัวเลยป็นอย่างไรบ้างอ่ะปฏิบัติมาแล้ววันที่ห้ารู้สึกว่าจิตใจได้สัมผัสกับอะไร ความประพิมประพลายแห่งสติสัมปชัญญะหรือไม่เนี่ยขอยืมคาพูดจากอาจารย์สมใจนะ <c oughs> บ, อบอกว่าอย่างบอกอาจารย์สมใจเปลี่ยนชื่อเธอเปลี่ยนเป็นสุขใจดีกว่าไม่มีในโลกนี้ไม่มีอะไรสมใจเราหรอก <c oughs> ถ้าสุขใจเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้แม้ว่าสิ่งนั้นจะไม่สมใจเราใช่ไหม กำใจบอกว่าเอา่อเตรียมไม่ได้หรอกคุณแม่คุณพ่อตั้งมาอาัอานะนี้เราก็มาปฏิบัติกันก็ฟังดูแล้วนี่คือประสบการณ์ชีวิตหลายคนก็มีหลากหลายอารมณ์สระพัดอย่าง จะเป็นทุกขเวทนาทางกายทุกทางด้านจิตใจความคิดความง่วงความเบื่อความท้อแท้หรือความสงสัยหลากหลายมีปรากฏอยู่ในจิตใจนการที่เราปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่ที่จริงอารมณ์หเหล่านี้ย ไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะที่ผ่านมาทุกคนก็มีอยู่แล้วใช่ไหมแต่เราไม่มีสติรู้เลยถูกไห ม, มเวลาเราเกิดอารมณ์เราก็เปลี่ยนหนีอารมณ์ไม่ดีแล้วก็ไปหาหนีหาอารมณ์ที่เราชอบใจใช่ไหมหนีอารมณ์เรียนรู้จักอารมณ์ตัวเองแต่พอมาปฏิบัติมาเจริญสติเนี่ยเราหนีไม่ได้ต้องมาเิญหน้ากับอารมณ์ เราจรึงไม่มีสติรู้ทันไงนคนที่มีอารมณ์มีอารมณ์หลากหลายเนี่ยถูกแ ล, ะละ้วล่ะเป็นคนที่จเจริญสติคนที่จเจริญสติแล้วไม่มีอารมณ์เลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะมันถูกทางแล้วเราจะยกมือสร้างจังหวะหนึ่งวันโดยที่ไม่หยุดหรือเดินจงกรมหนึ่งวันโดยไม่หยุดเลยเนี่ย แต่ใจนี่ว่างตลอดเนี่ยยังสู้คนที่เดินเข้าของน้ําเพียงห้าเก้าและรู้สึกตัวเพียงหนึ่งเก้าไม่ได้นะเข้าใจความหมายไหมปฏิบัติขยันมากมาถ้าแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าไม่รู้สึกตัวเลยมีแต่ความสงบไม่รู้อะไรเลยเนี่ยสู้คนที่ยกมือพลิกมือข้างเดียวแล้วรู้สึกเนี่ยไม่ได้เลย เพราะการปฏิบัติเนี่ยเป้าหมายสำคัญคือให้รู้สึกตัวให้รู้สึกตัวไม่ใช่ให้สงบเนี่ยเป็นการปลุกสติให้มันตื่นปลุกาธาตุแล้วมันตื่นขึ้นมาเมื่อตื่นรู้แล้วมันจะเกิดปัญญาเห็นความจริงของกายของใจเรานะสะนันที่ให้จิตมันตื่นรู้ไม่ใชใ่จิตสงบสงบเป็นเพียงแค่สมถะ แต่การตื่นรู้เนี่ยเป็นการรู้แจ้งละกิเลสแล้วก็ไม่ยึดติดในตัวในตน <Yeah. S 1> สรุปแล้วอาการทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยมีสองอาการ <Yeah. S 1> คืออาการของกายกับอาการของจิตใช่ไหม <Yeah. S 1> <laughs> ดูเถิปัญห า, าที่เราพูดถึงเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากเรื่องของกายและก็เรื่องของจิตไม่มีอะไรนอกจากกายกับจิตใช่ไหม คนที่เฝ้าดูอยู่จะเห็นอย่างนั้นร่างกายมีแต่ทุกข์้ท่านั้นแหละเดี๋ยวก็หิวปเดี๋ยวก็เมื่อยเด้มันก็ปวด <c oughs> กายมีแต่ทุกข์กายเหมือนคนป่วยเห <c oughs> มือนคนป่วย ต, ต้องคอยดูแลมันอย่าไปยึดติดว่าเป็นเรามันคือร่างกายคือคนป่วยสติ ก็เหมือนพี่เลี้ยงหรือผู้ดูแลปัญญาเหมือนเป็นในแพทย์ใหญ่ที่คอยวินิจฉัยคอยตัดสินคอยจ่ายยาให้เห็นะชีวิตลมเป็นอย่างนั้นร่างกายมีแต่เรื่องทุกข์จิตใจก็มีแต่เรื่องคิดจิตใจมีแต่เรื่องคิดถ้าไม่คิดเดี๋ยวมันก็ง่วง คนที่ง่วงนี่ไม่ค่อยคิดนะแล้คนนอนคนนอนหลับสบายไม่ค่อยคิดมากคนที่คิดมากมักจะไม่ค่อยหลับต้องกินยา น, นอนหลับใช่ไหมมันถูกทั้งนั้นแหละเรื่องของกายก็ดีเรื่องจิตก็ดีสรุปลงอยู่จุดเดียวอยู่ในไตร ล, ลักษณ์ทั้งนั้นเลยสังเกตดูไหมอยู่ในความไม่เที่ยงอยู่ในความเป็นทุกข์อยู่ในความที่บงังคับบัญชาไม่ได้ ความปวดเมื่อยมันแน่นอนไหมมันปวดตลอดทั้งวันทั้งคือหรือเปล่าความหิวมันก็ไม่แน่นอนความคิดมันก็ไม่แน่นอนอระเดี๋ยวมันก็คิดดีเดี๋ยวมันก็คิดไม่ดีเวลามันแค่มันคิดดีแล้วเราอยากให้มันคิดแต่สิ่งที่ดีๆมันก็เป็นไปไม่ได้เวลามันคิดไม่ดี จะเปลี่ยนให้คิดดีมันก็ไม่ได้หรือจะห้ามความคิดเลยก็ไม่ได้เนี่ยอยู่ในกฎตาลรักรวดเป็นอนัตตาแห่งธรรมะเราไม่สามารถจะบงังคับบัญชามันได้หรอกทั้งกายทั้งจิตเนี่ยเรื่องของกายทุกเวทนาเราต้องเข้าไปเกี่ยวข้องแก้ไขมันด้วยสติด้วยใจที่ไม่ทุกเนี่ยมันแยกกายแยกกิตแยกรูปแยกนามเลยนะกายที่เคลื่อนไหวไปมาเนี่ยมันเป็นรูป จิตที่เข้าไปรู้เนี่ยเป็นนามเห็นไหมแยกรูปแยกนามทุกเวทนาทางกายเราต้องเข้าไปเกี่ยวข้องแลวไปแก้ไขไปช่วยเหลือไม่จะไปต้องนั่งทนจนกระทั่งลุกไม่ได้ไม่ใช่ปฏิบัติธรรมแล้วอย่างนั้นเป็นการทรมานธรรมปฏิบัติธรรมต้องมีสติรู้แล้วก็ช่วยเหลือเขาซึ่งไม่ใช่เราเป็นทุกข์ทุกข์คือเรื่องของกายใจ เป็นสิ่งที่รู้ความป่วยไขย่ความทุกข์เป็นเรื่องของกายแต่ใจเป็นเรื่องของความรู้สึก <Yeah. S 1> จะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยมันดอกไม้ลอยไม่มีเกสรอ่ะเป็นเรื่องของกายทางนั้นแหละ <Yeah. S 1> <c oughs> ไม่ใช่เรื่องของเราเรามีาที่ช่วยเหลือกายใช่กายทุกแต่ใจไม่ทุกเนี่ยแยกกายแยกจิต mm. เรื่องของจิตที่มันคิดปรุงแต่ง ความคิดก็คือความคิดจิตก็คือจิตจิตคือผู้ที่รู้เข้าไปดูความคิดใช่ไหมมันแยกกันนะจิตคือผู้ดูนะความคิดก็คือสิ่งที่ถูกดูก็คือคิดไปคนละอันกันใช่มนะมันแยกจิตแยกอารมณ์แบบนี้คนที่เจริสติจะเห็นอย่างนี้นะนะสรุปแล้วเราเรยกกายเป็นผู้ดูเลยนะเห็นความไม่เที่ยงของกายของจิต เนสิ่งที่มันบังคับบัญชาไม่ได้ที่กายที่จิตทั้งนั้นเลยในเรื่อง เ, เป็นไตรลักษณ์สติจะพัฒนาไปเกิดปัญญารู้เท่าทันความคิดที่มันคิดปรุงแต่งสารพัดการเจริญติอย่างเงี้ยก็เพื่ออะไรเพื่อฝึกให้จิตมันตื่นเพื่อจะไปเห็นความคิดที่มันปรุงแต่งซึ่งนํากิเลสมาก็เพื่อตรงเนี้ยทําไมต้องเจริญติมากๆ แล้วกจิตมันรู้สึกให้มันตื่นให้มันตื่นจะได้เห็นสิ่งแปลกปลองของจิตใจคือความคิดติดปรุงแต่งโดยที่ไม่ได้ห้ามไม่ได้บังคับแต่รู้ทันแค่รู้ทันแล้วปล่อยมันผ่านไปก็ใช้ได้แล้วรู้ทันแล้วปล่อยมันผ่านไปก็ใช้ได้แล้จะปฏิบัติแนวไหนมาก็ตามไม่สาคัญนถ้าแนวที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องเริ่มต้นโดยการรู้สึกตัว ลงท้ายด้วยการปล่อยวางไม่ยึดมั่นหรือมั่นนี่คือแนวรู้ถ้าแนวหลงนี่ก็จะมองไปข้างนอกหลงไปข้างนอกนั่นแนวหลงถ้าแนวรู้ต้องกลับมารู้สึกตัวการปฏิบัติไม่มีผิดไม่มีถูกมีแต่รู้ทันหรือรู้ไม่ทันรู้ทันคือสติรู้ไม่ทันคือความหลง เท่านั้นเองสรุปจิดมีสองอย่างคือรู้กับหลงถ้าหลงมันก็ไปเป็นทุกข์ตามตามกิเลสยึดมั่นถึงมั่นถ้ารู้มันก็รู้ทานจิตใจที่ถูกกิเลสครอบงําแล้วก็ปล่อยวางมันไปไม่ยึด ต, ติดใช่ไหมถ้ารู้ทันเมื่อไหร่แล้วก็จิตมันก็พ้นออกมา จ, จากความทุกข์ถ้าหลงก็หลงไปในความทุกข์สองอย่างจะเป็นแนไหนก็ตามต้องเริ่มด้วยความรู้สึกตัวลงท้ายด้วยการปล่อยวางไม่ยึดมั่นถึงมั่นทุกข์ทั้งนั้น รูปแบบอาจจะแตกต่างกันเพราะนั้นอย่าลืมว่าเรื่องของกายก็ดีเรื่องของจิตก็ดีเนี่ยสรุปรวมที่ความไม่เที่ยงเท่านั้นสรุปที่ความไม่เที่ยงต้องมีความทุกข์บีบคั้นแล้วก็สิ่งที่มันบังคับบัญชาไม่ได้เนี่ยผู้ปฏิบัติถ้าวางจิตบางใจเป็นผู้ดูผู้ดูเสียได้จิตก็จะพ้นภัย พ้นภัยจากอารมณ์ที่มันครอบงาจิตใจจะเป็นผู้ดูได้ดันต้องฝึกรู้สึกตัวให้มากๆระลึกสติให้มากแล้วสติมันก็จะพัฒนาขึ้นเป็นภาวะที่เป็นผู้ดูไม่ได้เข้าไปเป็นกับกายที่ทุกข์หรือกับจิต ท, ที่มันคิดเนี่ยมันจะได้พ้นพ้นจากเรื่องของกายเรื่องของจิตและรู้ความจริงยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้น ยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือคนที่รู้เท่าทันจะยอมรับและเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยสติปัญญาเรามักจะบังคับมักจะบังคับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นซึ่งมันไม่ใช่หลังตาบันดาลคือยอมรับมากกว่าการบังคับเพราะการยอมรับมันง่ายกว่าการบังคับยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้น ง่ากว่าการบังคับให้มันเป็นอย่างใจเราเห็นไหมถ้าเข้าใจาตรงนี้เนี่ยเราสามารถนําสิ่งเนี้ไปใช้ในจิตใจมันได้เลยนะทุกวันเนี่ยที่เราเป็นทุกข์เพราะเราไม่ยอมรับในสิ่งที่หายทังพวงจะบังคับให้มันถูกใจเราซึ่งมันทวนกระแสกับสิ่งทีายทงว ง, วงบังคับบัญชาไม่ได้มันไม่เย็นก็อยากให้มันเย็นมันร้อนก็อยากให้มันเย็นี่นน ย, ยไปบังคับ เราจรึงต้องทำถึงที่มันยากแต่ถ้ายอมรับแล้วก็มันง่ายนิดเดียวเย็นก็ธรรมดาบ่ให้ความเป็นธรรมดาซะก็จบดูเธอคนรอบตัวเราเนี่ยที่เรามีทุกมีปัญหาเขาเนี่ยถ้าเราไม่ยอมรับเขาเราจะพยายามบังคับเขาให้มันถูกใจเราเขาน่าจะเป็นอย่างนี้เขาน่าจะพูดอย่างนี้เขาไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเลยเขาก็คือเขาอะ ยอมรับในความมีความเป็นของเขาเสียเถิดเราจะสบายใจแต่บังคับให้เขาเป็นอย่างใจเราเนี่ยเราจะทุกข์ใจนะเนี่ยการใช้ชีวิตเนี่ยทุกคนมีความคิดเห็นของตัวเองมีการพฤติบัติของตัวเองเราจะมีสิทธิ์ไปให้เขาเหมือนเราได้อย่างไรใช่ไหมเนี่ยเนี่ยต้องเข้าใจในตัวเขาแล้วเราจะรู้สึกจะผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น เราดูใหม่แต่คนรอบตัวเราถ้าเรารู้ว่าอ๋อเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นเองเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นเองเราไม่เป็นอย่างเขาก็แล้วกันเนี่ยเราเข้าใจเขาและเข้าไปเกี่ยวข้องกับเขาโดยสภาพที่เขาเป็นจะทํางไงที่เปลี่ยนแปลงเขาเปลี่ยนแปลงตัวเราให้เข้าใจเขาเสียก่อนเราจะมีวิธีที่จะเปลี่ยนแปลงเขาโดยที่เขาไม่เดือดร้อนเลยนี่เราไปบังคับเขา ไ, ได้ถูกใจเราเนี่ยเขาก็เครียดเราก็ทุกข์เสียประโยชน์กันคู่ แล้วมาดูตัวเราเถอะไอ้ความป่วยไข่เนี่ยความแก่ก็ดีความป่วยไข่ก็ดีความตายก็ดีเนี่ยเราไม่ชอบ <c oughs> เราไม่ยอมรับว่าเรามีความป่วยไข่เป็นธรรมดาไม่หล่วงพ้นความป่วยไข้ไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่หล่วงพ้นความตายไปได้เราไม่ชอบบังคับ ไม่ให้มันป่วยไม่ให้มันตายมันเป็นไปได้ไหมบังคับไม่ให้มันแก่มันเป็นเรื่องธรรมดาข้ามาชาติถ้ายอมรับปั๊บเนี่ยจะเราจะผ่อนคลายและเข้าไปเกี่ยวข้องกับความป่วยใครก็รักษากันไปหายก็หายไม่หายก็ไม่เป็นไรต้องยอมรับก็ต้องยอมตายถึงก็ต้องตายเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยฉลาดกว่าการที่ไปบังคับก็ บังคับมันได้ไหมความแก่ความเจ็บบันความตายมันเป็นของชั่วคราวตรงนั้นน่ะมันมีแต่ความเป็นไปมองเข้าไปเปนเรื่องธรรมดาซะ <Yeah. S 1> แม้จะป่วยไข้ก็ตามเราสามารถเข้าไปเกี่ยวข้องกับความป่วยไข้ <Yeah. S 1> และเราก็มีประสบการณ์เอามาแบ่งปันกันมาบอกมาเล่าตูกันฟังเราก็กลายเป็นคนที่มีคุณค่าเพราะนั้นการรู้จักยอมรับเนี่ยมันง่ายกว่าการบังคับ การยอมรับติดจะผ่อนคลายนั่นแหละคือการเข้าใจธรรมะใช่ไหรวมทั้งเอาไปใช้ชีวิตทุกวันเนี่ยที่เราไปดิบักกันเนี่ยมีสิ่งที่มันขัดใจเราทั้งนั้น่ะมันไม่ขัดใจเราหรอกมันขัดกิเลสเราเราไม่พอใจกิเลสเราไม่ชอบใช่ไหมแม้กระทั่งอาหารก็ดีที่พักก็ดีมันไม่น่าดีเกินไปเลยน ของมันดีก็จะว่าไงก็ดีก็ดีโอ้ดีก็ดีเนา ะ, เ, ะเราถือว่าเรามีบุญแล้วเนี่ยเราเคยสร้างบารมีลำบากมากตอนนี้เรากําลังใช้บุญเนะมออย่างนั้นมองสินี่เรามีบุญและปฏิเสธบุญของเราเนีว่าของเขาดีแล้วมันดีเกินไปสิ่งละมีสามีสามีเจ้าชู้มันแย่นี่ไหลไม่ดีสามีไม่เจ้าชู้โอ้มันดีเกินไปไร้อารมณ์ ระวังให้ดีนะไม่พอใจในสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยเขาดีเกินไปก็มันอยู่เขาไม่ได้แล้วเขาดีเกินไปไม่รู้จักเป็นผู้นำจะบ้างที่เราเป็นผู้นำเราก็พอใจที่เขาเป็นผู้นำเราก็ไม่ชอบใจคืออะไรก็ตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาจัดสรรมาถูกต้องแล้วธรรมชาติจัดสรรมาถูกต้องแล้วมันผิดที่เราไม่ยอมรับต่างหากจงเปิดใจ ย, ยอมรับ ในความเกิดขึ้นในขณะปัจจุบันนั้นที่เถิดและใจเรานี่จะผ่อนคลายนี่แหละคือการบรรลุธรรมง่ายๆ ย, ยอมรับอย่างนี้มันมีมันเป็นซะแต่เข้าไปเกี่ยวข้องในสติปัญญาเนี่ยคือคนฉลาดนะเพราะฉะนั้นสำคัญก็คือการรู้จักวางใจ <Yeah. S 1> ไปต่อต้านไปบังคับเท่ากับเอาน้ำมันไปราดกองไฟนะ <c oughs> การยอมรับปืนการถอดเชื้อฟืน้นออกมาทีละค น, น <c oughs> Yeah. Yeah. มันต้องฝึกเจิตสติแล้วค่อยๆเรียนรู้ฝึกสติมากๆการฝึกสตินี้ไม่ใช่ว่าตั้งใจจนเกินไปหรือเลื่อนลอยจนเกินไปใจที่เป็นกลางได้นั้นจะต้องไม่เข้าไปข้างในแล้วก็ไม่ลอยไปอยู่ข้างนอกการยกมือสร้างจังหวะแต่และคนนี้เพ่งสายตาที่ตามันเครียดเดี๋ยวมือก็เกร็ง คนตาตาแข็งมือเกรงเนี่ยอย่าเข้าใกล้นะอันตรายแล้ว <c oughs> เพ่งอยู่จุดเดียวมันเข้าในเกินไปแล้ว <c oughs> เกรงยิงเกินไปก็เข้าในเกินไปแล้ว <c oughs> ถ้าทําแบบสบายๆเนี่ยมันจะมีการผ่อนคลายเอจิตมันจะเป็นกลางรู้จักให้ทําแบบสบายๆแบบผ่อนคลายสบาย้านให้มันเหมือนที่เรา เราดูทีวีทีวีอยู่ทางโน้นตัวเรานั่งอยู่ตรงนี้ถ้าเราดูแต่ตัวเราเราก็ไม่รู้เรื่องทีวีแต่หลงตัวเราเผลอเข้าไปทีวีก็ไม่รู้เรื่องเราจะอยู่ยังไง ร, ระหว่างทีวีกับตัวเราดูตัวเราก็รู้สึกตัวว่ากําลังดูทีวีดูทีวีก็รู้เรื่องเรานี่คือจิตที่เป็นกลางเนี่ยอยู่กับคนหมู่มากอย่าดูแต่ตัวเราลืมคนหมู่มากไม่รู้จักกาลเทศะ ต้องดูคนอื่นห้าสิบดูตัวเราสักห้าสิบจิตจะเป็นกลางนะเมื่อเราที่จะเข้าประตูประตูเนี่ยเรายืนตรงระหว่างธรณีประตูเนี่ยมองข้างในเราก็เห็นคนในห้องมองข้างนอ ก, กเห็นสิ่งภายนอกนั่นคือจิตที่เป็นกลางไม่ใช่อยู่แต่ข้างในไม่รู้เรื่องข้างนอกอยู่ข้างนอกก็ไม่รู้เรื่องข้างในต้องอยู่เป็นกลางระหว่างข้างในข้างนอกเข้าในเกินไปใจก็เครียด ออกนอกจนไปใจก็เริ่นลอยหลงลืมจะทำไงกีดตรงกลางได้ต้องรู้จักวางใจกลละห้าสิบห้าสิบเราจะเรียนรู้ข้างนอกและก็รู้เท่าทันข้างในคุยข้างนอกเห็นจิตใจว่าเราปรุงแต่งอะไรเห็นไหมการใช้ชีวิตนี่ต้องรู้จักแบ่งครึ่งชีวิตบ้างนะเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยนต้องดูตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นการโดยติดต้องวางใจเป็นกลาง อย่าเพ่งเกินไปอย่าลอยเกินไปนั่นแหละคือความรู้สึกตัวนะเนี่ยก็นำเอาสิ่งนี้เอาไปไปฏิบัติในชีวิตประจำวันการมาทําที่เนี่เป็นเพียงแค่มาอยู่โรงเรียนห้าวันและจบหลักสูตรละห้วันแล้วกลับไปใช้ชีวิตไปทําอยู่ที่บ้า น, นตื่นเช้าขึ้นมาให้มีสติรู้กายรู้ใจจังหวะแรกลืมตาขึ้นมาให้รู้สึกตัวก่อนความรู้สึกตัวเนี่ยมันสําคัญที่สุด สำคัญกว่าการไปเข้าห้องน้ำหรือการไปแปลงปานล้างหน้าเลยนะรู้ตัวก่อนสัมผัสแรกของชีวิตเป็นชีวิตใหม่มันจะขจัดความงัวงเงียจิตจะแ จ, จ่มใสและทั้งวันดูเถมีความรู้ตัวตลอดเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีแล้วค่อยตามรู้ต่อไปในเอือบทต่างๆรู้ไปเรื่อยๆลืมแล้วก็รู้ใหม่ ลงลืมไปก็รู้ใหม่ลืมไปก็รู้ใหม่รู้ไปเรื่อยๆแล้วไม่จะเป็นต้องไปเพ่งให้รู้แบบผิวเผินสบายๆพอรู้ ไ, ไปบ่อยเดี๋ยวจิตมันจะเก็บรายละเอียดของชีวิตไปเองอย่าไปเพ่งอย่าไประวังรู้แบบผิวเผินซะบ้างเียอย่างเงี้ยเวลาเรารู้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเกิดความรู้ตัวโดยอัตโนมัติจะเกิดขึ้นมาเองความเป็นอัตโนมัติจะเกิดขึ้นมาเอง เพราะเราเหมือนเราสอนจิตให้มันรู้สึกมันก็จะรู้สึกได้เองไม่เจตนาจเจริญสติสติก็เกิดขึ้นเองได้และการปฏิบัติจะง่ายขึ้นมันจะสงบได้ง่ายจะผ่อนคลายได้ง่ายนะ <Yeah. S 1> เนี่ยแล้วเวลามีอารมณ์อะไรมากระทบเนี่ยสติก็จะรู้ทันแล้วก็รักษาใจเป็นปกติปล่อยให้อารมณ์นั้นผ่านไปโดยไม่ต้องไปทำร้ายหรือไปต่อต้านอะไรเนี่ย <Yeah. S 1> รู้อย่างนี้แหละเนี่ย <Yeah. S 1> ให้เราสนับสนุเสมอว่า เนี่ยเราต้องมีสตินะเตือนตัวเองเอาไว้เห็นความสำคัญของสติให้มากๆากเตือนตัวเองเอาไว้ให้มีสติเอาไว้สติจะเกิดขึ้นบ่อยมากเลยเรามีสติแต่ละขณะแต่ละครั้งละคราวเนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์แล้วไม่ประมาทแล้วนะเนี่ยอย่าถ้าคนที่ต้องการจะมีการพธาธัฒนาทางจิตให้มีสติบ่อยๆเนี่ยพยายาม อย่าทําชีวิตให้มันยุ่งเหยิงนอย่ามีธุระให้มันมากเกินไปหาเวลาผ่อนคลายสับ้างชีวิตเราเลือกได้ว่าเราจะมีธุระมากหรือน้อยอยู่ขึ้นกับเราธุระบางอย่างมันไม่จําเป็นก็เอาออมันสับ้าง <c oughs> อย่าเป็นคนที่มีธุระมากเกินไปอย่าเป็นคนที่เป็นเทวดาที่มีธุระมาก <c oughs> หาเวลาผ่อนคลายสับ้าง พระพุทธเจ้าตรัสได้ว่าพึงมีธุระให้น้อยใช้ชีวิตที่เรียบง่าย <Yeah. S 1> การมีธุระยุ่งเหยิงมากเกินไปเป็นหนทางแห่งความฟันฟ่นเฟือนบางทีต้องจำกัดจำกัดจากัดตัวเองเสียบ้าง yeah. <Yeah. S 1> เราจะได้มีเวลาพัฒนาจิตโดยการเจริญสตินะเนี่ย <Yeah. S 1> อันนี้เป็นข้อคิดเพราะนั้น การมาปฏิบัติอยู่ที่นี่สี่วันห้าวันเนี่ยเราสามารถที่จะเรียนรู้ชีวิตเราได้แล้วันนี้ไม่ใช่เป็นวันสุดท้ายคนที่คิดว่าเป็นสุดท้ายนะปิดประตูตัวเองนะไม่ใช่วันสุดท้ายนี่คือวันเริ่มต้นชีวิตใหม่ต่างหากถูกหถ้าปอกวันสุดท้ายแล้วจบเลยแล้วกลับไปบ้านหลงเหมือนเดิมลงรอยเดิมนี่คือวันเริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นชีวิตที่รู้สึกตัวแล้ว ถ้าจัดเป็นวันสุดท้ายขอให้เป็นวันสุดท้ายของความทุกข์เป็นวันสุดท้ายของความโกรธเป็นวันสุดท้ายของความหลงแต่เป็นชีวิตใหม่จากการรู้สึกตัวต่างหากนี่คือไปพัฒนาถ้าเราคิดว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วกลับไปเครียดเหมือนเดิมถ้ารู้ว่านี่เป็นวันเริ่มต้นชีวิตใหม่เราจะไปจากการเอาความเครียดรายวันเอาชนะความทุกข์ลายวันชนะความโกรธรายวัน เอาชนะความหลงลายวันได้ในที่สุดนะไม่มีวันสุดท้ายสาหรับเราเป็นวันเริ่มต้นชีวิตใหม่ชีวิตมันต้องต่อยอดชีวิตต้องต่อยอดเจดียอดนิดเดียวแต่ฐานนี่กว้างมากเพราะนั้นสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยบัตรแน่นดีไปหมดเป็นฐานของเจดีดีแล้วฐานเจดีที่กว้างใหญ่นะมันจะได้มั่นคงต้องต่อยอด วันนี้คือการต่อยอดพรุ่งนี้ก็ต่อยอดต่อยอดจนถึงสุดยอด<笑><笑>นะชีวิตไม่ใช่ถอยหลังหรือไม่อยู่ปัจจุบนันเราต้องต่อยอดชีวิตให้มันดีขึ้นทุกวันอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นชีวิตที่พัฒนาไม่ใช่สุดท้ายนะเป็นวันเริ่มต้นชีวิตใหม่เนี่ย <Yeah. S 1> ได้ไปจัดการกับความทุกข์รายวันได้อ่ yeah. เอาละเนี่ย <Yeah. S 2> ก็ต้อง ขอทุ่มอนุโมทนาบุญเ่กับผู้ที่จัดงานแล้วก็ผู้ที่ร่วมกันจัดงานรวมทั้งญาติธรรมที่มาร่วมงานเนี่ยทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นเนื้อนาบุญกันเป็นคู่บุญกันไม่ใช่คู่เวรเป็นคู่บุญคู่บุญคู่บุบรดีโชคดีแล้วที่เรามาเกิดอยู่ในภพชาติเดียวกันเนียโชคดีแล้วก็ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยแล้วก็ ขออวยพรให้กับทุกท่านเนี่ยจงมีความสุขกายสบายใจไม่ใช่ห้าวันให้มีความสุขกายสบายใจร้อยวันพันปีชั่วกาลนาการช่วยกันทุกท่านทุกคนเถิด